ปัตนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นโอการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาในส่วนของขันธปะภะคือหมวดที่ว่าด้วยขันธั้งาประการอันที่จริงขันธั้งาประการนั้นก็คือชีวิตของบุคคลที่แยกออกไปเป็นรูปกระนาม หือเป็นกายกับจิตนั่นเองเพียงแต่ในชั้นนี้ทรงจำแนกแสดงเพื่อบุคคลมีสติระลึกรู้ถึงความปรากฏของขันถึงการเกิดขึ้นของขันและความดับของขันในแต่ละขันเพราะไรเพราะว่าขันทั้งหประการนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความจิตมั่นถือมั่น เป็นที่ตัองอ้งแห่งความรักความชังเป็นที่ตัองอ้งแห่งความเป็นเราเป็นเขาสรุปว่าปัญหาต่างๆนั้นเกี่ยวเนื่องมาจากขันทั้ง5ประการทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันมรรคผลนิพพานก็เกี่ยวเนื่องมาจากขันทั้ง5ประการเช่นเดียวกันในที่นี้ทรงสอนให้ดูในตัวนของเวทนาขัน เมื่อเวทนาขันปรากฏขึ้นก็รู้ว่าขณะนี้เวทนาปรากฏขึ้นแก่เราตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลยอ่อมสวยเวทนาไม่อย่างไดก็อย่างหนึง่งเพียงแต่ว่าอาการของเวทนานั้นจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองบางครั้งอาการของเวทนาเป็นไปอย่างแรงกล้าทั้งดัดดีและด้านไม่ไดีออกรูปมาเป็นความ ดีใจความเสียใจหรือความสุขความทุกข์หรือความโสมนัสความโทมนัสและถ้าอากว่าเวทนาเหล่านั้นต่อเนื่องก็จะออกมาในรูปของความเพลิดเพลินบันเทิงใจอย่างต่อเนื่องต้าหกว่าเป็นสุขเวทนาแต่อาจจะออกมาในลักษณะของความทุกข์ทนหมดไหม้ด้วยอาการต่างๆ อาการนั้นเป็นอาการของทุกเวทนาแต่นั้นเมื่อเวทนาปรากฏขึ้นก็ทรงสอนให้รู้ว่าขณะนี้เวทนาปรากฏขึ้นจะเป็นสุขก็ตามจะเป็นทุกขกตามจะไม่ใช่ทุกขไม่ใช่สุก็ตามแต่พิ่งสังเกตว่าในการสั่งสอนนั้นบางครั้งก็ทรงสอนเฉพาะเวทนาข้อ เ, เดียวคือเวทนาขัน บางครั้งก็ให้ดูอาการทั้ง3มลักษณะคือเป็นสุขเป็นทุกข์ละกลางๆนั่าวแล้วแต่บางครั้งเพื่อให้สติสมัมปชัญญะของผู้ปฏิบัติมีความต่อเนื่องขึ้นยิ่งกว่านั้นและมีปัญญาจำแนกแยกแยะระหว่างเวทนาทางกายกับเวทนาทางใจเพราะนันเองเราจึงพบว่าบางครั้งทรงจำแนกแสดงเวทนาไว้เป็น5ประการ สุขหมายถึงความสุขท <ly> ี่เกิดขึ้นทางร่างกายทุกเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางร่างกายโสมนัสเป็นความสุขที่เกิดขึ้นทางด้านใจโทมนัสเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางด้านใจและอุเบกขาคือใจที่มีความเป็นกลางกลางกายก็มีความเป็นกลางกลางคือไม่ถึงกับปรากฏอะไรเด่นชัดออกมา พอที่จะให้กำหนดหรือเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้ในช่วงนั้นท่านก็เรียกว่าเป็นอุเบกขาเวทนาแต่ในมหาสติปัฏฐานในสุดที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นนั้นได้ทรงจาแนกเวทนาออกไปถึง9ก้าประการแต่การจาแนกแยกแยะให้ออกเห็นถึง9ก้าประการจริงๆนั้นกำลังสติสัมปชัญญะความเพียรเราต้องมีมากพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสติกับสัมมชั ญ, ญาเพราะถ้ามอย่างนั้นจะแยกได้ออยากเนื่องจากเป็นการปรากฏในแต่ละขณะเท่านั้นแต่นั้นในที่นี้จึงขอให้มองเฉพาะเวทนาสามซึ่งปรากฏได้ชัดเจนมากกว่าคือดูที่สุขจะเป็นสุขกายหรือสุขใจก็ตามแต่ว่าใจเป็นผู้สวยสุขนั่นเราก็เรียกว่าสุขเวทนา ดูที่ทุกข์จะเกิดขึ้นจากกายก่อนหรือเกิดขึ้นจากใจก่อนก็ตามแต่ว่าใจเป็นตัวสวยทุกขเวทนาก็ดูที่ตัวทุกขเวทนาเท่านั้นและอทุกขรมสุขเวทนาเวทนาที่ปรากฏไม่ถึงกับทุกข์ไม่ถึงกับสุขเวทนาปรากฏอยางนั้นแล้วในตอนต่อไปก็ทรงสอในให้ศึกษาถึงเหตุเกิดของเวทนา เวทนาก็เป็นเวทนาขันดังที่กล่าวแล้วและมีความเกี่ยวเนื่องอยู่กับรูปขันเป็นอาการของจิตที่ทาหน้าที่สวยอารมณ์แต่นั้นเองเหตุใดให้เกิดรูปเหตุนั้นก็เป็นเหตุได้เกิดเวทนาด้วยเหตุได้เกิดรูปที่ได้กล่าวมาแล้วก็คือวิชาตัหาอุปาทานกรรมเหตุได้เกิดเวทนา ที่เป็นเหตุหลักคือเป็นพื้นฐานอยู่ปกติก็มีอยู่4ประการเหมือนกันแต่ว่าเหตุที่เกิดในแต่ละขณะนั้นได้แก่ผัจจัคือการกระทบได้แก่การกระทบระหว่างประสาทสัมผัสของเราประสาทสัมผัสของเราก็มีอยู่หกมันก็ไม่เกินหไปทุกที ิวลาตานรูปหูฟังเสียงจมูกุมกลิ่นลิ้นริมรสกายถูกต้องเย็นร้อนอดแข็งและใจตึกนึกถึงอารมณ์ในชั้นแรกทันเรียกวิญญาณคือการรู้อารมณ์ที่มากระทบซึ่งอันที่จริงก็เป็นขันอีกข้อหนึ่งถึ่จะกล่าวในโอกาสต่ตอไปและสายการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณนี้เองเรียกว่าปัสสะคือการกระทบ เวลาท่านเรียกเต็มๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจและศึกษาคุณโทษของที่ไปที่มาของเวทนานั้นได้อย่างชัดเจนทรงใช้ครมาลีว่าจักูุสัมผัสชาวเวทนาเป็นต้นซึ่งแปลว่าความสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยมายความาในขณะใดที่ตาเห็นรูป ในขณะนั้นใจก็กำหนดอารมณ์ด้วยน่าด้วยความรักความชังหรือความยินดีความยินร้ายด้วยความพอใจความไม่พอใจเมื่อเราไปกําหนดอารมณ์แล้วความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นติดตามมาอาการเป็นสุขเป็นทุกข์นั่นเองเรียกว่าเป็นอาการของเวทนาแต่บางครั้งได้ยินเสียงเป็นที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้าง ก็มีการกำหนดเสียงเหล่านั้นว่าเป็นที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจความสุขความทุกข์ก็เกิดขึ้นและแม้ในประสาทสัมผัสส่วนอื่นคือการกระทบของอาจจานะภายในภายนอกส่วนอื่นก็มีลักษณะอย่างเดียวกันตัวการสําคัญนั้นเกิดขึ้นจากใจของบุคคลที่ไปกำหนดอารมณ์เพราะอะไรเพราะว่วาแท้จริงแล้วอารมณ์ทั้งหลายมันก็คืออารมณ์ทั้งหลาย เขามีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาเช่นสมมติว่ารูปอย่างเดียวกันคนมองไปจุดนั้นก็จะเห็นรูปนั้นเช่นเดียวกันแต่จากพื้นฐานภายในใจของบุคคลและการกำหนดอารมณ์ในขณะนั้นๆของบุคคลจะมีความรู้สึกต่อรูปนั้นไม่เหมือนกัน เช่นตัวอย่างเป็นกระบวนการของความคิดจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นการพบเห็นรูปครั้งแรกสิ่งที่เกิดจะไม่ใช่ความยินดีและความยินไรแต่เป็นความไม่รู้คือเป็นอวิชชาเกิดขึ้นมาก่อนต่อไปเมื่อได้ศึกษารู้คุณรู้โทษของรูปเหล่านั้นแล้วก็จะเกิดเป็นความยินดียินไรต่อจากนั้นสุขทุกข์ก็จะบังเกิดขึ้นก็กลายเป็นเวทนา ดังนั้นในทางการประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วจะทรงเน้นเรื่องการกําหนดอารมณ์ไว้เป็นนั้นมากเพราะการกําหนดอารมณ์จึงเกิดความกําหนับไม่ใช่ตัวอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดเพียงอย่างเดียวซึ่งผิดกับสภาวธรรมทั้งหลายก็อลองสังเกตว่าสภาวธรรมทั้งหลายนั้นก็จะมีความเป็นสากล เจ้งไฟร้อนใครไปจับข้าวมันก็ร้อนสากลเเรือเข้มใครไปกินข้าวมันก็เข็มสากลคือเข็มทุกทุกคนแต่ว่าอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นไม่ใช่เป็นที่ตั้งแห่งความรักความจังของคนทุกคนเพียงแต่ว่าบุคคลมีความรู้สึกต่อรูปนั้นอย่างไรพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ภายในใจประการหนึ่ง ถึงอนที่จริงก็เป็นอาการของจิตประการหนึ่งที่เราเรียกว่าสัญญาคือการทรงจํารูปโหลดนั้นไว้ในฐานะอะไรในฐานะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูในฐานะที่เราชอบหรือเราไม่ชอบเป็นเข้าในช่วงที่สองหรือว่าช่วงต่อๆมาก็าจะกลายเป็นความรักความชังขึ้นเมื่อกลายเป็นความรักความชังขึ้นเวทนาคือสุขเวทนาก็เกิดขึ้น ทุกเวทนาก็เกิดขึ้นตามการกำหนดอารมณ์แต่เนื่องจากผัสสะผัสสะนั้นเป็นอปยกตะธรรมคือธรรมะที่เป็นกลางกลางไม่ถึงก็ดีและไม่ถึงก็ชั่วเพราะนจุดสัมผัสจึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่มีความสำคัญว่าเราจะเห็นจะได้ยินอะไร ในหลาการประพฤติปฏิบัติหรือแม้ในชีวิตประจําวันของบุคคลซึ่งเปการเคลื่อนไหวโดวยธรรมชาติธรรมดาก็จะพบว่าอะไรที่ดูไปแล้วไม่สบายใจก็ไม่ดูเสียงอะไรที่ฟังไปแล้วไม่สบายก็ไม่ฟังกินอะไรสูตรดมไปแล้วไม่สบายเราก็ไม่สูดดมรสอะไรที่กินไปแล้วไม่สบายเราก็ไม่ลิ้มเป็นการตัดกระแสะของปัญหาเมื่อเราตัดได้แล้วจะเป็นยังไง ทุกเวทนานเราไม่ต้องการไม่ปรารถนาก็าจะไม่บังเกิดขึด้นเรื่องเหล่านี้จึงอยู่ที่ใจคนเป็นประการสาคัญใจที่กําหนดอารมณ์ให้เกิดเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้เป็นกลางกางก็ได้และแม้ในอารมณ์เดียวกันแต่ว่าคนละขณะกันพื้นฐานทางจิตของบุคคลที่กําหนดอารมณ์มีวิชามากหรือมีวิชาน้อย มีโทสะมากหรือโทสะน้อยมีโลภะมากหรือโลภะน้อยมีธรรมะมากหรือมีธรรมะน้อยมีปัญญามากหรือมีปัญญาน้อยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันกลายเป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องเดียวกันเองวัตถุเดียวกันนั่นเองในช่วงหนึ่งยังมีอวิชชาอยู่มากยังมีความทุกข์สุขมากคนไม่กาหนดหมายเรือนาจของอวิชชา ทุกเวทนาก็บังเกิดขึ้นความคับแค้นความมึดหนัดความขัดข้องก็บังเกิดขึ้นแต่รูปนั้นแหละพอมาถึงช่วงหนึ่งอวิชามันจางไปสติสัสมปชัญญะเกิดขึ้นวินิจฉัยอย่างรู้ถึงความจริงที่แท้จริงของสิ่งนั้นและสามารถตัดปัญหาซึ่งเคยเกิดมาในการก่อนลองไปได้ คนนี้พึงดูตัวอย่างนางกีสาโคตมีที่นางคลอดลูกมาลูกกาลังน่ารักแล้วก็ตายไปปัจจุบันทันด่วนในชั้นแรกนางทำใจให้ยอมรับไม่ได้ว่าลูกตายไปแล้วแสดงถึงอวิชชานั้นได้ปิดบงังเหตุผลสติปัญญาเอาไวมา้มากๆขนาดว่าคนตายยังไม่ยอมรับประตาย เมื่อมีการพยายามที่แจงอถ า, าธิบายเธอก็ไปเกิดมีความเข้าใจว่าถึงแม้จะตายก็สามารถรักษาคนตายได้เป็นการเชี่ยวเห็นถึงลักษณะของอวิชชาที่มีอยู่ภายในใจของเธอมากขึ้นในที่สุดคนก็ไม่รู้ว่าจะช่วยกันยังไงจึงแนะนําให้ไปพ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าสามารถรักษาได้ มานางเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขอให้พระองค์รักษาลูกชายของนางให้หายจากตายอันที่จริงพระพุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถรักษาได้แต่เพื่อจะใช้เป็นอุบา ย, ยวิธีเสริมสร้างปัญญาขึ้นมาโดยลำดับโดยใช้ประสบการณ์ทางประสาท ส, สัมผัสก็คือพัฒน์ศาสนั่นแหละ จากการได้เห็นได้ยินได้เห็นได้ยินได้เห็นได้ยินซ้ำซซากๆากไปเรื่อยเสิ่งเหล่านั้นคือประกายของปัญญาที่จะเกิดขึ้นค่อยๆกัดกร่อนอวิชชาให้เจือจางเบาบางลงไปเหตุผลสติสัมปชัญญะก็จะคืนมาวันหลังก็ค่อยพูดกันพระองค์รับสั่งว่าจะให้รักษาให้ก็ได้แต่มีข้อแม้ว่า นางต้องไปห า, มาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านใครก็ได้ที่บ้านนั้นยังไม่เคยมีคนตายเลยถ้าได้มเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาพระองค์ก็จะสายหายได้นางก็ไปขอมเมล็ดพันธุ์ผักกาดซึ่งกราคาไม่เท่าไรคนก็พร้อมที่จะให้แต่เมื่อสอบถามมาบ้านนั้นเคยมีคนตายหรือไม่คนก็บอกว่า มีคนตายมีญาติตายมีปู่ตายญายายตายมีลูกตายมีหลานตายมีคนตายกันมากๆทุกๆปันแต่ละครั้งที่ได้ยินใน้ฟังนั้นคือภัสสะอาหารอาหารคือปัสสะนั่นเองแต่เป็นทางเกิดของปัญญาเกิดของความรู้ความเข้าใจในเหตุผลแล้วก็เพิ่มพูนเป็นประสบการณ์ที่ค่อยๆสลายความ เาด้วยอำนาจของวิชาซึ่งกัดกร่อนครอบงามจิตใจของนางเอาไว้ให้เจอจางบวบางลงไปโดยทําดับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งนางก็ไม่ได้นำลูกชายมังฝาบพระพุทธเจ้าแน่ใจมั่นใจว่าลูกตัวเองตายแล้วเช่นเดียวกับญาติพี่น้องก็คนอื่นที่ตายความตายนั้นเป็นสิ่งที่ใครไม่สามารถหลีกเว้นได้ แะในที่สุดนางก็ฝังลูกเอาไว้ในที่หนึ่งโดมองฝ้าพระพุทธเจ้จ า, าจากตัวอย่างที่ยกมานี้จะเห็นได้ว่าในตอนแรกนั้นทุกขเวทนาบังเกิดขึ้นท่วมทับจิตใจของนางจนเกือบจะคุมสติสมัมจัยไว้ไม่ยู่โดยการกำหนดอารมณ์เดียวกันคือลูกลูกตายแต่ไปกำหนดเราไม่ตาย ม, มีการชี้แจงอธิบายก็ยอมรับว่าตายแต่คิดว่ารักษาหายได้ทัาแสดงเห็นทึงอวิชชาทั้งสองขั้นตอนแต่เมื่อนางได้ไปได้ยินได้ฟังจากคำบอกกล่าวของบุคคลทั้งหลายซึ่งที่จริงก็คือแสดงสภาวะที่เป็นสัจธรรมของชีวิตอวิชชาก็จางไปจางไปจาง เหตุผลสติสัมปชัญญะก็เกิดมาแล้วในที่สุขไอ้ทุกขเวทนามันก็จางหายไปกลายเป็นการปรงตกการยอมรับถึงสภาวะความจริงของชีวิตที่ท่านเรียกว่าจิตซึ่งเข้าไปสงบระงับในสัตว์และสังขารทั้งหลายนั้นเป็นความสุขพนจุดของสัมผัสเป็นจุดเน้นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้โดยอนเนกกรปริยย ในกรนีที่เรายังไม่แน่ใจว่าวจะมีสติสัพจัญญามากมายขนาดนั้นจะไปตัดสินวินิจัยอารมณ์ซึ่งผ่านมาได้อย่างนั้นก็ทรงสอนในรูปของการหลีกเว้นจากสถานที่จากบุคคลจากอารมณ์จากเรื่องราวจากเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีลักษณะเป็นกระตุ้นเป็นการกระตุ้น ให้เกิดความกับหนักเกิดความขัดเคืองเกิดความรุ่มหลงเกิดความหมวบหม่องถ้าทำได้ก็ทรงสอนให้ทำอย่างนั้นแต่ในภาคปฏิบัติจริงๆแล้วชีวิตคนไปหลีกเว้นอารมณ์เหล่านั้นเสมอไปก็ไม่ได้ก็มีวิธีขั้นที่สองเอาไว้ก็คือไม่ให้สใส่ใจแม้จะเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านั้นก็ตามก็อย่าใส่ใจ แต่ออกจะเป็นเรื่องยากอีกสําหรับคนซึ่งอยากรู้อยากเห็นก็ทรงสอนให้ระวังใจระวังใจอย่าให้เกิดกําหนัดอย่าให้เกิดขัดเคืองอย่าให้เกิดลุ่มหลงอย่าให้เกิดมัวมองทีนี้บางทีมันเกิดระวังไม่ได้ใจบางกําหนัดไปแล้วขัดเคืองไปแล้วลุ่มหลงไปแล้วมัวหมองไปแล้วก็ทรงสอนให้พิจารณาเห็นโทษของความรู้สึกเหล่านั้นที่ปรากฏแก่จิต พราะจิตในขณะก่อนกับขณะที่กิเลสเกิดขึ้นครอบงํานั้นมีความแตกต่างกันมีความเร้าร้อนรุนแรงแผดเผาจิตใจให้กระวนกระวายกระตับกระสายไปโดยประการต่างๆแต่ตอนนี้เรายังลากเขาไม่ได้ยังดับเขาไม่ได้ก็ใช้ความอดกลัน้นความอดทนต่อแรงกระแทกกระทันใจ แม้จะมีการกระตุ้นให้เกิดความกำหนัดกระตุ้นให้เกิดความขัดเคืองกระตุ้นให้เกิดความร่มหลงกระตุ้นให้เกิดความบวมเบมก็ตางอดทนเอาไว้โหม่ใจเอาไว้ห้ามใจเอาไว้กั้นใจเอาไว้เรียกว่าเป็นการระดมธรรมะหลายๆข้อเข้ามาไว้เพื่อเป็นแรงต้านทานไม่ให้จิตใจผันแปรไปตามอํานาจของกิเลส แต่ในขณะเดียวกันบางโอกาสเราก็สามารถที่จะเกี่ยวข้องกับบุคคลกับอารมณ์กับเหตุการณ์กันเรื่องราวต่างๆที่ทรงใช้ํานวนบาลีวสัพปายะคือมาให้ความสบายให้ความเยือกเย็นให้ความสงบให้ความโปร่งเป่าแก่บุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องคอยบุคคลไขว่คว้ า, วาสแสวงหาอารมณ์หล่อนั้น ก็เรื่องปัษานั้นเราตัดตัดไม่ได้โลกเราเป็นโลกกาสัมผัสเราก็ต้องมีสัมผัสอยู่พระอริยเจ้าเองก็ต้องมีสัมผัสอยู่ทําอย่างไรจึงจะได้สัมผัสที่ดีคือการกระทบที่ดีได้เห็นที่ดีได้ยินที่ดีๆได้ฟังสิ่งที่ดีดีดีดในมงคลลัสธิก็ทรงสอนการเข้าราสมาคมกับบัณฑิตการบูชาผู้ควรบูชา หมายความวาได้เห็นคนที่ดีๆแต่ยินได้ฟังเรื่องดีๆจากท่านเหล่านั้นจากที่เคยกล่าวถึงเรื่องของธรรมะที่เป็นอุปการะในการเพิ่มพูนกุศลและธรรมทั้งหลายจะมีอยู่สองข้อทรงเน้นไว้ทุกข้อทุกแห่งคือหนึ่งกั ร, รยาณมิตร ไม่จะหนึ่งการละยาณมิตรคือข้อรองสุดท้ายนั้นเป็นการละยาณมิตรได้แก่มีเพื่อนฝูงที่มีความรักใคร่เมตตามุ่งประโยชน์เกื้อคูณมีความอุปการะพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแล้วก็ใช้ในที่ทุกสถานใช้ในทุกกรณีและต้องได้สัพปายะกระถา คือข้อความที่นำมาพูดนำมาแสดงนั้นจะต้องเพิ่มพูนธรรมะให้บังเกิดขึ้นแต่นั้นในสัพยะเป็นการเน้นให้บุคคลพยายามปฏิบัติตนให้ได้อารมณ์คือได้สัมผัสที่ดีๆเพื่ออะไรเพื่อได้สุขเวทนา แต่ในขณะเดียวกันช่วงหนึ่งก็ไม่ได้สอนให้ติดอยู่ในสุขเวทนาเพียงแต่ว่าให้ได้สุขเวทนาไปก่อนจะมาได้อาหารที่ดีๆได้อากาศที่ดีๆได้สถานที่ที่ดีๆคำว่าดีๆในที่นี้หมายความว่าให้ความสบายแก่เราไม่ได้หมายความถึงหรูหราคู่คว้าสวยงามมีราคาพแพงแต่ว่าหมายถึงให้ความสบายแก่จิตใจของเรา เชนาหารสัพพายะอาหารทีรับประทานไปแล้วให้ความสบายอุตุสัพพายะอากาศที่เราสัมผัสในขณะนั้นให้ความสบายเนาสนาสนะสัพพายะที่อยู่ที่อาศัยให้ความสบายปุคลาสัพพายะบุคคลที่เราเข้าเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมร่วมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมนั่นก็เป็นการปฏิบัติเครื่องขูดต่อกันและธรรมสัพพายะ หรือธรรมะที่ใช้กำหนดระลึกใช้ไปในกา ร, รปฏิบัตินั้นให้ความสบายเป็นการสร้างสิ่งที่เกื้อกูลแก่ตนเดองแต่เพิ่งสังเกตว่าเวทนานั้นเป็นเนื่องจากเป็นขันก็ตกอยู่ในกฎของปฐัยลักษ์เพราะฉะนั้นในช่วงต่อไปก็ทรงสอนให้ดูถึงความดับของเวทนา เพื่ออะไรเพื่อให้บุคคลไม่ไปเดือดร้อนกับเวทนามากเกินไปและไม่ไปยึดติดในเวทนามากเกินไปเวทนาที่เป็นทุกข์เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แก่ก็ดับไปเวทนาที่เป็นสุขซึ่งก็อให้เกิดการสยบติดความกนัดเพลิดเพลินที่จริงแล้วแก่ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในช่วงต่อมาจึงส่งสอนให้มองเวทนาในแง่ของใจรัก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 พึงสังเกตว่าจะทรงจำแนกเวทนาเอาไว้เป็นนั้นมากเพราะอะไรเพราะจิตเรานั้นจะกระโดดทำนองคล้ายๆเราเกาะตรงนี้เห็นมาเกาะไม่ได้ก็กระโดดไปเกาะตรงอื่นเกาะตืงอื่นไม่ได้ก็กระโดดเกาะไปเไรื่อยๆทำนองวานนอนที่แกวิ่งไปในป่าหรือแล่นไปในป่าแกจับแกเปลี่ยนแกจับแกเปลี่ยนแกจับแกเปลี่ยนแกกระโดดไปเรื่อยๆ เมื่อเห็นว่าตรงนี้ไม่ดีก็ไปตรงอื่นทํานองคล้ายๆกับรับประทานอาหารหรือรับประทานอะไรก็ตามเรานังเกตว่าจิตมันจะเปลี่ยนมันจะดึงไปเปลี่ยนไปทดลองอยู่เรื่อยๆอันนี้ไม่รอยก็เปลี่ยนไปเรื่อยร้านนี้ไม่รอยก็เปลี่ยนร้านถ้วยนี้แม่รอยก็เปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึ่งไปอีกชนิดหนึ่งเป็นต้นนั่นเป็นลักษณะของจิตทําอย่างไรจิตจึงจะมองเห็นเรื่องเหล่านี้เป็นความสากด แท้จริงแล้วเวทนาจะเป็นประเภทไหนก็ได้เวทนาที่เป็นอนดีตซึ่งก่อให้เกิดความขนาดเพลิดเพลินยินดีมาแล้วในอนดีตเวทนาที่เป็นนาคตซึ่งเราคาดหวังเอาไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างโ น, น้นซึ่งปกติแล้วจะคาดหวังไว้ในทางที่ดีๆ แล้วก็มีฐานะเดียวกับเวทนาในปัจจุบันและเวทนาในอดีตเวทนาในอดีตนั้นเกิดมาแล้วในอดีตดับไปแล้วในอดีตเวทนาในปัจจุบันก็ลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและกาลังจะดับไปอยู่ในปัจจุบันเวทนาในอนาคตจะดีพิเศษยังไงก็ตามเขาก็อยู่ในสภาพอย่างนั้นเวทนาที่อยู่ใกลอยู่กลที่ยาบที่ละเอียดซึ่งเราจะเห็นว่าในชั้นของโลเกียธรรมนั้น เป็นการสอนธรรมะต่างการขวายคว้าของจิตคือจิตมองเวทนาในจุดหนึ่งไม่ดีแล้วก็คว้าเวทนาในจุดอื่นเช่นมองเห็นสุขในมนุษย์เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ต้องการความสุขในโลกมนุษย์แล้วก็เกิดเบื่อหน่ายในสุขปฏิปเป็นมนุษย์แต่ไปคว้าสุขที่เป็นทิพสุขในสวรรค์ชั้นต่างๆซึ่ท่านเรียงความสุขขึ้นไปให้ประนีตไปลําดับลําดับแต่ว่าสุขที่เป็นทิพนั่นแหละมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ใจของบุคคลยังคว้าอยู่อีกคว้าอยู่อีกก็จะไปมองที่ความสุขซึ่งเป็นพรหมโลกในชั้นต่างๆพรหมโลกก็อีกละ่ะคือเป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยั่งยืนจะต้องมีการแปรผันไปด้วยประการต่างๆแต่เป็นการกค่อยๆดึงจิตของบุคคลขึ้นไปเรื่อยๆ ร, รู้ความจริงขึ้นไปโดยลําดับแล้วในที่สุดก็จะปล่อยวางเวทนาเหล่านั้น ไม่ ย, ยึดมัน่นหรือมั่นอยู่ในเวทนาทั้งหลายจะทุกข์ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะสุขก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างบางครั้งที่ท่านนำมาให้สวดราตยายว่าเวทนาเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเช่ตน สิ่งใดไม่ใช่ตัวใช่ตนสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นไม่ใช่เราสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราแล้วกำหนดจิตพิเนตพิพจณาไปเรื่อยๆก็จะสามารถปล่อยวางความยึดมั่นในเวทนาเริ่หน้าตนหาบ้างเริน่นาามานะบ้างเรินาทิฏฐิบ้างตามสมควรแก่การระปฏิบัติ สุขเวทนาบังเกิดขึ้นก็ไม่เพลิดเพลินในสุขเวทนาเกิดไปทุกเวทนาที่บังเกิดขึ้นก็ไม่อึดอัดขัดข้องด้วยทุกขต่อา น, น, นมากเกิดไปแต่รู้เต่าทันตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่า น, นั้นเกิดขึ้นมาเพื่อจะดับและในชั้นของการดำรงชีวิตก็สามารถที่จะสร้างสื่อเพื่อให้เกิดสุขเวทนา ให้ความสบายกายสบายใจแก่ตนได้ตามสุงควรแก่การ ป, รปฏิบัติต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป